ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังการแสดงธรรมเรื่องพระพักุละเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริตเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบบัดนี้ค่ะ เราลองดูประวัติของพระภกุละนะัในอดีตชาติของพระภักุละนี้นั้นก็สั่งสมบุญบา ร, รมีเอาไว้มากมายในประวัติอันนี้เนี่ยจะเห็นว่าผ่านพระพุทธเจ้าต้องโอ้โหต้งหลายพระองค์คือจริงๆเนี่ยประวัติของพระอรหันต์รูปอื่นๆบางทีก็ผ่านนะแต่ว่าในตัวเนื้อประวัติไม่ได้มีบอกเอาไว้เพราะฉะนั้นก็เลย บางทีเราก็เลยไม่รู้แต่พอดีประวัติของพระพกุละเนี่ยปรากฏว่าพูดเยอะเดี๋ยวเราลองนับดูนะว่าในนี้มีผ่านพระพุทธเจ้าทั้งหมดกี่พระองค์ปรากฏว่าชาติที่ผ่านทูเจ้าพระองค์แรกเนี่ยคือในสมัยของพระพระพุทธเจ้าอโนมทัศน์ศีอันนี้เป็นชื่อพระพุทธเจ้า ก็ในชาตินั้นเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์เมื่อเจริญวัยได้ศึกษาเรียนจบแล้วไม่เล็งเห็นสาระในชีวิตของคารวาดจึงออกบวชเป็นลือสีด้วยคิดว่าจะสแสวงหาบุญอันเป็นผลประโยชน์ต่อไปในภายภาคหน้านะชาตินี้ปรากฏว่าคือคือก็ต้องมีบุญบารมีมาจากชาติก่อนนี้อีกละแต่สะสมมาแต่ว่าเราไม่ได้พูดถึงชาติอื่นไ ก็เริ่มขึ้นมาก็พูดถึงชาตินี้เลยวันชาตินี้เกิดในตระกูลพรามณ์เสร็จแล้วพอโตขึ้นมาปรากฏว่าเบื่อหน่ายชีวิตของคารวะก็ออกบวชออกบวชเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นฤาษีนะสมัยก่อนถ้าบวชแล้วก็เป็นอะไรบ้างเป็นพวกฤาษีเป็นพวกปวกริยภาชคเป็นพวกเขาเรียกอะไรวันประปัส ดาบทอะไรยเงี้ยมีชื่อเรียกอยู่เยอะนะแต่จริงๆแล้วก็หมายถึงพวกนักบวชจะจะแตกต่างออกไปนะชื่อเรียกพวกนี้ยจะแตกต่างออกไปแต่ส่วนใหญ่ก็คล้ายๆคืนกันคือเป็นนักบวช <c oughs> หมายถึงว่าพยายามจะประพฤติปฏิบัตินะเพื่อที่จะให้หลุดพ้นอะไรอย่างเงี้ยาปรากฏว่าดีพอบวชแล้วก็มีผู้คนมาสมัครเป็นสิทธิ์จํานวนมาก โดยเหล่าสิทธากันสร้างอาสมให้ณบริเวณภูเขาโซพิตะที่ไม่ไกลจากภูเขาหิ ม, มาพานต์นักทั้งอาจารย์กับลูกศิษย์จึงพำนักอยู่ที่อาสมนั้นวันหนึ่งพระอนมมัทศีพุทธเจ้าทรงสแสวงหาที่รีกเกร้นอันสงบสงัดสเสด็จผ่านมาใกล้อาสมคือใกล้อาสมที่พระฤาษีเนี่ยพักอยู่ พระฤาษีจึงออกไปเข้าเฝ้าพระองค์ขนาดนั้นเองโรคลมได้บังเกิดโดยฉับพันกับพระพุทธเจ้าสร้างทุกขเวทนาเกิดขึ้นแก่พระองค์ในที่นี้เขาใช้คําว่าโรคลมก็ไม่รู้นะลมอะไรก็ไม่รู้ลมไม่เดินลมหายใจไม่เดินเนะ่ยก็ตายจีโรคโรคลมหายใจไม่เดินตายแน่โรคลมอก็คงจะ อ, อะไรจูเสียรแน่นอะไรนะท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟอ้อหรืออะไรเนี่ยนะคงไม่ใช่แหมลมหายใจไม่แล่นหรอกคุณเ <c oughs> สร็จปรากวว่าเกิดทุกขเวทนาขึ้นแล้วพรอฤาษีก็พอดีใหแม่ไปเก้าเฝ้าได้เห็นกิริยาอาการของพระ อ, องค์แล้วก็รู้สึกได้ทันทีว่าโรคลมเกิดแก่พระพุทธเจ้าแล้ว จึงรีบนิมนพระองค์เข้าสู่อาสมแล้วก็ปรึกษากับเหล่าสิทธิ์ว่าเราต้องการปรุงยาถวายพระาศาสดาโดยด่วนเราจะรีบขึ้นเขาไปเก็บสมุนไพรามาปรุงยาท่านทั้งหลายช่วยดูแลพระองค์ด้วยและจะเตรียมสิ่งต่างๆรอคอยเรากลับมาแสดงว่าพระฤาษีนี้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะ พระฤาษีรีบไปเก็บสมุนไพรทันทีแล้วนำมาต้มรวมกันเสร็จแล้วก็รินน้ำยามาถวายพระพุทธเจ้าพอเสวยสักครู่หนึ่งอาการโรคลมก็สงบลงหายไปเป็นปิดทิ้งพระอโอนมาทาัศีจึงตรัสละเสริญแก่พระฤาษีและได้พยากรณ์พระฤาษีไว้ว่านะอันนี้เป็นบุญถือว่าเป็นบุญยิ่งใหญ่ ในชาตินี้ของของพระอดีตของพระภกุละเนี่ยนะว่าโอ้โหผู้เจ้าเกิดทุกขเวทนาแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าเป็นโอกาสนะแต่ละคนจะไม่ไม่มีโอกาสดีๆได้เหมือนกันโอกาสทองของแต่ละคนไม่เหมือนกันต้องสร้างบารมีมือนกันนะถึงจะได้โอกาสทองของแต่ละคนอย่านึกว่าทุกคนจะมีโอกาสทองได้เหมือนกันโอกาสทองอย่างเช่น มาได้พบพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหคุณนึกว่าง่ายเลยไม่มีบุญก็ไม่ได้พบนะไม่ได้เจอแล้วนี่ไม่ใช่แค่ไม่ได้อ่าไม่เจอไ อ, อ้ไม่ใช่แค่ได้เจอเท่านั้นนะนี่เจอแล้วยังโอ้โหเจอตอนพระพุทธเจ้ากําลังลําบากซะด้วยสิซึ่งเปิดช่องแล้ใช่ไหมเปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือแหละอ่าคิดดูสิต้องต้องเป็นบุญที่เรา สะสมมาอย่างหนึ่งเหมือนกันทำให้เรามีโอกาสอย่างนี้ได้เสร็จแล้วก็นี้ก็อยู่ที่ความสามารถอีกว่าสามารถช่วยได้หรือเปล่าใช่ั้มบางคนเจอจริงนะอ่าปรากฏว่าสมมุตินะสมมุติว่าเราเจอเนี่ยโอ้โหแต่ไม่รู้จะช่วยยางไงอะ่ะไม่มีความรู้เรื่องสมุนไพรเรื่องแพทย์เรื่องยาเรื่องหมออะไรเลยอะ่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่เจอแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่าแต่นี่ปรากฏว่า เจอด้วยแล้วก็มีความสามารถที่จะช่วยได้ด้วยเนี่ยรีไปเอาสมุนไพรมาปรุงยาแล้วก็ต้มให้พระเจ้าท่านท่านเสวยเข้าไปแล้วท่านก็หายไปปิดติ้งเนี่ยต้องมีบุญบา ร, รมีสะสมมาขนาดหนึ่งถึงจะมีโอกาสได้อย่างนี้แล้วขนาดเดียวกันคําว่าบุญบา ร, รมีที่สะสมเนี่ยก็คือความสามารถที่เราเนี่ยจะต้องมีมาด้วยถ้าเราไม่มีมาเนี่ย นะอย่างที่บอกโอกาสมาถึงแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นบุญที่เราควรจะได้นั้นก็ไม่ได้แม้มีโอกาสก็ไม่ได้วันเยอะแยะไปหลายคนที่โอกาสมันมาถึงเราแล้วนะแต่เราไม่สามารถเพิ่มบุญบา ร, รมีให้ได้เหมือนอย่างบางคนอะ่ะมาอยู่วัดได้มาปฏิบัติธรรมได้แต่เราจะรู้เลยว่าหลายครั้งหลายหนเราน่าจะทาได้ดีกว่านี้อีก นะบางทีมีโอกาสแล้วที่เราจะได้บุญกุศลมากกว่านี้คือสามารถจะช่วยเหลือสามารถที่จะทําอะไรให้ได้มากกว่านี้แต่เราไม่ได้ทำํำเฉพาะติดสบายหรือว่าเฉพาะขี้เกียจหรือว่าเฉพา ะ, อะบบเออความสามารถไปถึงก็แล้วแต่แต่มันมีอย่า ง, างนั้นจริงจริงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเราเข้าใจได้เราจะได้รู้ว่าโอ้ ฟังดูอย่างนี้มันเหมือนกับโอ้โหแมมเหมาะเมงเลยนะไม่มีอะไรบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างวิบากกรรมเนี่ยมันจะต้องส่งผลมาในอดีตมาถึงปัจจุบันมันจะต้องลงตัวมันอะไรอะเดะเลยอะพอดีเลยพอดีเลยเป็นไปตามนั่นทุกอย่างนะแต่ในปัจจุบันธรรมของเราด้วยที่ว่าเราเนี่ยเพิ่มบุญบารมีเราได้ด้วยไหมถ้าเรามีขีดความสามารถเพิ่มได้ด้วย บุญบารมีเราก็เพิ่มขึ้นไปอีกอตอนนี้ปรากฏว่าทำได้จริงๆเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะท่านก็เลยพยากรพระฤาษีไว้ว่าท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าวผู้ใดได้ถวายยาแก่เราให้ระงับโรคของเราได้ผู้นั้นจะรื่นรมจะบันเทิงอยู่ในเทวโลกหนึ่งแสนกับโอ้โห เข้าใจคำว่ากลับใช่ไหมเอาหมายถึงอะไรเข้าใจเอามีภูเขาอยู่หนึ่งลูกเอาไม่ต้องลูกใหญ่นะก็ได้เาจริงๆเขาเวปูระบันพศนะนหมายถึงภูเขาที่โอโ้โหใหญ่มากเลยนะเป็นภูเขาที่มีชื่อว่าเป็นภูเขาลูกใหญ่เสียจแล้วก็ไงเอาผ้ายใหญ่บัว ผ้าใยบัวมาลากผ่านผ้าใยบัวก็รู้ฟังดูก็รู้่นะผ้าใยบัวนะเคยไม igail, en <S <S ่มีใครเคยคิดจะเอาใยบัวมาถักเป็นผ้าบ้างไหมมีบ้างไหมให้น่าลองดูบ้างนนะผ้าใยบัวคิดดูเอาแล้วก็มาลากผ่านภูเขาเนี่ยร้อยปีมาลากผ่านหนึ่งขนร้อยปีมาลากผ่านหนึ่งขนซึ่งอาจมาเคยพูดให้ฟังแล้วก็หมายถึงว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งของชีวิตคนเราเนี่ยนะร้อยปีมาลากผ่านหนึ่งขนเนี่ยคือ ถือว่าคุณมีโอกาสเกิดครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเนี่ยร้อยปีเนี่ยมาลากผ่านภูเขานี่หนึ่งครั้งภูเขานี้สึกไปสักเท่าไหร่ภเขานี่จะสึกไปสัเท่าไหร่กันนิดหน่อยนิดหน่อยนะส่วนใหญ่ก็พ้าดน่ยแหละจะขาดกระจุยกระจายซะหมดนะซึ่งอันเนี้ยเราจะได้รู้เลยอโอ้โหอายุของโลกนะของของโลกเราเนี่ยนะเนี่ย มันจะยาวนานอย่างนั้นเหรือกลับหนึ่งอ่ะก็ไม่ไม่รู้หรอเมื่อไหรมันจะสึกจนแบนลาบอแต่อันนั้นเป็นอุปมาอย่างหนึง่งนะที่ให้รู้ว่าอายุของโลกเนี่ยยาวนานแต่อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่ากลับหนึ่งเนี่ยก็หมายถึงอายุร้อยปีของคนเราเรียกว่ากลับหนึ่นะอย่างอย่างในยุคนี้กลับหนึ่งของคนเราก็คือ เหลือเท่าไรแล้วเดี๋ยวทุกวันนี้ประมาณเอาเอาค่าเฉลี่ยประมาณนะจริงๆเนี่ยมันจะร้อยปีใช่ัหมแต่จ า, จากสภาพจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ถึงแล้วนะประมาณสักเจ80ประมาณนี้เท่านั้นเองนะอันนี้ก็ทุกวันนี้เป็นกลับหนึ่งล้วถ้าเราคิดอย่างนี้นะแต่เนี่ยะจะลื่นลมลื่นลมบันเทิงอยู่ในเทวโลกนะหนึ่งแสกับแสนชาติเป็ออยังไงโอ้โฮแสดงว่า แม้ทำบุญไว้แค่นี้นะเรารู้สึกว่านิดหน่อยนะทําให้โรคลมของผู้ยศเจ้านะไม่ต้องมีทุกขเวทนาได้อันเนี้ยเท่ากับถ้าเราคิดย้อนกลับจะหเห็นว่าโอ้โหการทําบุญครั้งนี้นี่มันมหาศาลนะที่ ท, ที่ที่เปรียบแบบเนี้จะให้เห็นว่าโอ้โหมหาสาลนะอย่านึกว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆการที่ทําให้อ่าผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการ มีวาสนาบารมีอันสูงสุดในมวลหมู่มนุษย์เนี่ยนะเออหายจากความทุกข์ยากลำบากนั้นแม้จะทางกายก็ตามโอ้โหถือว่ามีบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นอย่านึกอย่านึกอะไรอะ่ะอย่านึกว่าบุญเี็หน่อยอะไรอย่างนี้อันนี้ถือว่าเป็นบุญมากนะเพราะว่าเป็นความเจ็บปวดทุกข ถ้าสมมุติว่าแค่หิวแค่อะไรนี่ก็นขนาดหนึ่งใช่ไหมอันนี้นี่โอ้โหเจ็บปวดทุกทรมานเรื่องหิวนี่พระเจ้าท่านบางทีท่านมีอาหารที่เสเวอท่านจะไม่หิวซะก็ได้ อ, ะอ่ะอแต่เวทนาจากจากโรคภัยไข้เจ็บอันนี้โอ้โหเลี่ยงไม่ได้เลยนะมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องทุกทรมานเหมือนกันก็เหมือนกับคนอื่นๆ น, นะที่ถ้าเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา นะมันก็ทุกทรมานเหมือนกันนะเพราะนั้นอันนี้ท่านกับพยากรณไว้ว่าเนี่ยจะอยู่ในเทวโลกเทวโลกก็ไม่ถึงเทวโลกหมายถึงฮะโลกของเทวดาะวนะที่หมายถึงอะไรล่ะโดยทำ ม, มาที่ฐานน่ะที่ไม่ใช่ปุกลราที่ฐานอ่าก็หมายถึงว่าเท่ากับว่าเนี่ยโอ้โห การที่มีจิตใจเสียสละแล้วก็ช่วยเหลือผู้เจ้าขนาดนี้เนี่ยนะจิตอันเนี้ยจะสามารถพูดง่ายๆว่าโอโ้โหทำให้จิตตัวเองเนี่ยได้ดีได้อยู่ในสภาวะที่ดีในสภาวะที่ไม่ตกต่าในสภาวะที่ที่เป็นจิตที่สูงเนี่ยโอ้โหได้เป็นแสนกับอะไรอย่างนี้นั่นแหละนะ น, นี่คือความหมายว่าไปอยู่ในโลกของเทวดา แล้วก็จะได้อยู่ในหมู่กลุ่มของคนที่ดีโลกของเทวดาก็จะมีแต่เทวดานั่นเองจะอยู่กับหมู่มิตรดีสายดีคุณจะไม่โชคลายไปเกิดอยู่ในที่ที่โอ้โหบางทีอยู่ในดงอันดพานหรือว่าไปอยู่ในดงคนเร็วรไล่ ๆ, ๆอะไรที่ไหนแม้แต่คนจะมาเกิดเมืองไทยต้องมีวิบากบุญหรือว่าที่จะต้องมาเกิดอย่างเมืองไทยนะอ่า ไม่อย่างนั้นคูก็ต้องไปเกิดในซาอุดีใช่ไหมหรือว่าอะไรอ่ะอะแอฟริกาเอธิโอเปียอะไรอย่างเงี้ยอ้าวไม่อย่างนั้นก็ใครอยากจะไปเกิดะใช่ไมที่เอธิโอเปียใครอยากจะไปเกิดมันไม่มีใครอยากไปเกิดหรอกนะแต่ตามกรรมเพราะฉะนั้นถ้าจิตวิญญาณใครเนี่ยทำกรรมในลักษณะที่จะต้องไปเกิดอยู่ในสถานที่แบบเอธิโอเปียก็ต้องไปเกิดอย่างนั้นะ คุณอย่านึกว่าเออเราอยู่เมืองไทยเราตายเมืองไทยยังไงแล้วก็คงเกิดถ้าแม้จะเป็นสัตว์ใช่ไมก็คงเป็นสัตว์ในประเทศไทยนี่แหละ <c ười> คุณอย่าคิดตื้นื่นอย่างนั้นเลยมันไม่อย่างนั้นหรอกโอ้โหจิตวิ ญ, ญญาณมันไปไหนก็ได้ไกลขนาดไหนก็ได้นะแล้วมันมันมีขีดความสามารถที่เกินที่เราคิดอีกเยอะแยะมากมายเลย อา้าถ้าเกิดในที่ที่เขาเรียกว่าไม่สัพเยะที่ที่มันไม่ไม่เจริญหรือว่าไม่พัฒนาเนี่ย เ, เขาเรียกอะไรนะ อ, อะไรชนนะชน ม, ม, มิลักขะกับอ า, อ, า อ, าอาริยกะหรืออะไรเนี่ยนะคือคื อ, อนะนะ คือในสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะมีเรียกเลยว่าเนี่ยไปเกิดเป็นชนชนผู้เจริญเพื่อง่ายกับชนที่แบบปลาเถื่อนนั่นมันเป็นใบตามบุญตามกรรมของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยนะคุณอย่านึกว่ามันเกิดง่ายๆเนี่ยจริงๆอาตมาเนี่ยน่าจะเกิดอยู่เมืองจีนเอาก็พ่อแม่ก็เป็นจีนดูสิก็พ่อแม่ก็อุตส่าห์ดันด้นมาแลเขก็มาอยู่เมืองไทย อาสาก็ได้มาเกิดอยู่เมืองไทยก็มันตามบุญกุศลของแต่ละคนถ้านึกโดยตามจริงแล้วก็เออจริงๆริอัน้นมันก็ไม่น่าที่จะต้องลําบากลําบนมาอย่างนี้นะก็คนจีนก็อีกเยอะแยะเขาก็อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยเขาไม่ออไม่ได้ดันดนมาที่นี่สักหน่อยแต่เนี่ยถ้าตามวิบากบุญที่เราจะมีว่าเออเราจะเกิดอยู่ในที่เมืองไทยเอ้าแล้วก็มีบุญร่วมกับพ่อแม่นะ พ่อแม่ก็เอา้าก็ดันด้นมาแล้วก็ทําให้เรามาเกิดที่ในเมืองไทยอันเนี้ยวันถ้าเราเนี่ยเข้าใจเรื่องของบุญเรื่องของกรรมอะไรต่างๆมันจะทําให้เวลาเนี่ยเราคิดอะไรเราทําอะไรนะมันจะนึกถึงว่าเออเดี๋ยวผลจะตามมาเป็นยังไงเราจะนึกถึงเรื่องของวิบากกรรมที่จะตามมาด้วยนะซึ่งทั้งบุญทั้งบาปอ่ะต้องคิดทั้งสองส่วนนะอันเสร็จ น, นี้ นัเนี่ยจะอยู่ในเทวโลกหนึ่งแสนกับจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหนึ่งพันชาติโอ้โหนะได้คือถ้าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนันก็จะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิหนึ่พันชาติไม่ใช่กษัตริย์ธรรมดานะอันนี้ถือว่าพระเจ้าจั ก, กรพรรดิแสดงว่าอยู่เหนือกษัตริย์อื่นๆอีกคือเป็นกษัตริย์ในกษัตริย์นะเป็นเป็นเจ้าของกษัตริย์อีกทีนึง เขาเรียกว่าเจ้าจั ก, กรพรรดิและไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็จะเป็นผู้ไม่มีความป่วยไขย้ไม่มีความเร่าร้อนจากความป่วยไข้เลย ม, มีบุญกุศลที่จะได้รับตอบสนองเมื่อได้เกิดในกับของพระศาสดานามว่าโคดมจะได้เป็นธรรมทานญาติของพระศาสดาพระองค์นั้นได้ชื่อว่าพักกุละจะเพ่งเพียนเผากิเลส ท, ทั้งปวงได้หมดสิน้น เข้าถึงนิพพานข้ามพ้นกระแสตัณหาได้และจะเป็นเลิดกว่าสาวกทั้งหลายในการเป็นผู้มีอาพาธน้อยอาพาธก็คื อ, อ, อการเจ็บป่วยต่างๆในในที่นี้ใช้คำว่าอาพาธน้อยนะแสดงว่าก็ยังมีบ้างแต่น้อยมากเลยอันนี้เป็นการพยากรอนาคตของพระพุทธเจ้าองค์อนมาทัศสี นะพอปรากฏว่าผู้เจ้าท่านอ ะ, อะไรอ่ะพยากรให้เสร็จแล้วท่านก็ท่านก็ไปะนะครั้นได้สั่งสมบุญในการถวายยาแก่พระพุทธเจ้าในชาตินั้นแล้วต่อมาในชาติอื่นได้เกิดเป็นผู้ดีมีสกุลในกรุงหงษ์สวดีได้พบเห็นพระาศาสดาองค์พระปทุมุตระพุทธเจ้านี่อีกองค์หนึ่งแล้วนะ ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งให้ดำรงตำแหน่งเอตทัทธัคคะด้านผู้ที่มีอาภาษน้อยตอนเองปรารถนาเช่นนั้นบ้างจึงสั่งสมบุญกุศลจนตลอดชีวิตปรากฏว่าในชาตินี้ชาติของพระพุทธเจ้าองค์ปัทถุมุตระเนี่ยปรากฏว่ามามาพบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์เนี้ยพอดียกย่องสรรเสริญภิกษุที่มีอาภาษน้อย ว่าโอ้เนี่ยเป็นเอตัคคะเอตัคทักคะนี่หมายถึงมีความรู้มีความสามารถมีความชำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นเอกเนะเขาเรียกว่าเอตัคคะแต่อันนี้เป็นเอกในในด้านไหนเป็นเอกในด้านของไม่ค่อยเจ็บป่วยเลยนะเพราะนั้นพอเห็นแล้วก็เลยโอ้โหชอบเพราะว่าท่านในอดีตเนี่ยท่านมีแนวโน้มชอบเรื่อง สมุนพเพื่อสมุนไพเรื่องอยู่ยาเรื่องอะไรมาแล้วเพราะอันนี้เป็นเชื้ออยู่แล้วเชื้อที่ท่านมีแล้วยิ่งมีบุญเก่าที่เคยช่วยผู้เจ้าไว้ใช่ไหมรักษาโรครมให้เพราะนั้นเนี่ยอันนี้ฝังอยู่แล้วยิ่งพอมัชาตินี้มาเจอผู้เจ้าโอ้โหให้ภิกษุเป็นเอจักคะเรื่องอาพาธน้อยก็เลยยิ่งพูดง่ายผสมกับของเก่าอะไรยิ่งขึ้นอยู่เลยคราวนี้เลยตั้งจิตเลยเลยปรารถนาที่ว่าเ อ, อจะบําเพ็ญ จะทำบุญกุศลเพื่อที่จะให้ตัวเองอย่เป็นผู้ที่มีอาพาธน้อยให้ได้มีความเจ็บป่วยน้อยให้ได้ดังพันในชาติของผู้เจ้าพระ อ, องค์นี้มีการตั้งจิตอันนี้ไว้เมื่อมาถึงชาติที่เกิดเป็นสกุลพราหม์แห่งกรุงพันทุมมาดีได้ออกบวชเป็นลือสีพอได้สดับธรรมของพระวิปัสสีพุทธเจ้าก็ได้ตั้งอยู่ในสารณะ คราวนั้นเองเมื่อภิกษุทั้งหลายอาพาธเพราะไข่ป่าพระฤาษีได้สะสมบุญบา ร, รมีด้วยการช่วยรักษาโรคนั้นให้สงบลงได้นะพ้นพอมาชาตินี้ปรากฏว่าได้สะสมบุญเพิ่มอีกในแง่ที่เรียกว่ายังช่วยดูแลรักษาภิกษุทั้งหลายนะที่เจ็บป่วยมาแล้วก็ช่วยรักษาให้หายอันนั้นนั้นเท่าไหร่ละสามแล้วนะสามผู้ทีเจ้าแล้วนะ พอถึงในยุคสมัยของพระกัสสปะพุทธเจ้าชาตินี้เขาได้กำเนิดในขรือหาดของผู้มีสกุลในกรุงพารณสีได้สร้างกุศลเอาไว้โดยการซ่อมแซมและสร้างที่พักใหม่แก่พระสงฆ์ทั้งอย่างสร้างโรงอุโบสถโรงอุโบสถคืออะไรฮะโรงอุโบสถคือโรงศีลแปดใช่ไหม ลงอุโบสถในที่นี้ก็คือแบบโรงยานี่เองนะแหมเดี๋ยวก็แปลเก่งเหลือเกินลงอุโบสถก็ลงศิลแปดก็ถูกเหมือนกัน น, นะนันถ้าจะว่าไปแต่อุโบสถเนี่ยแต่ว่ายาใจด้วยนะก็ปรากดบะเนี่ยทั้งซ่อมแซ ม, ซ ม, แซมที่ซ่อมแซมที่พักอาศัยแล้วก็สร้างโรงยาดโดยไงปรุงยาต่างๆถวายการรักษาแก่ประสงค์อีกด้วยได้สั่งสมบุญบา ร, รมีเอาไว้จนสิ้นอายุไข อีน่สนี่แล้วนะดูนะว่าโอ้โหสั่งสมในลักษณะเนี้ใครจะเป็นเอตทะคะในเรื่องไหนได้ต้องสั่งสมเรื่องนั้นมามากกว่าคนอื่นต้องมากกว่าคนอื่นถึงจะเป็นเอตทะคะได้ถ้าทําเหมือนกับที่คนอื่นทํำทำอยู่ทั่วๆไปเอา้ามันจะเป็นเหนือกว่าคนอื่นได้ไงรานเอตทะคะนี่คือต้องอะไรอ่ะสเปเชียลไลอะอะไรนะออยอดเยี่ยมพิเศษ ชนะนิดเรียวกว่ า, าคนอื่นนี่โหตามไม่ติดแหละอันนี้เพราะนั้นดูนะนี่นี่พูดแค่ในช่วงที่ท่านเล่านในชาติที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้นะแล้วระหว่างนั้นอีก อ, อีกตั้งเยอะตั้งแยะนะ ท, ที่ประวัติในที่นี้ไม่ได้พูดถึงเพราะฉนั้นเหมือนกับว่าพูดอันอันใหญ่ๆหอันที่สาคัญสาคัญมาให้ฟัง แต่ปีกย่อยต่างๆเนี่ยท่านจะต้องโอ้โหช่วยเหลือผู้คนในด้านของเรื่องการรักษาในเรื่องของยุกยาแรงต่างโอ้ยท่านต้องช่วยมาทุกชาติแหะคุณไม่ต้องห่วงแหละคนจะเป็นเอตัคทะได้นี่ต้องช่วยมาทุกชาตินะปรากฏว่าอ่าสี่แล้วนะสี่พระเจ้าแล้ะมาถึงยุค ข, ของพระพุทธเจ้าองค์สมณะโคดมอ่า น, น, น, นแล้วเนี่ยถึงละถึงองค์ที่ห้าแล้วเขาได้เกิดอยู่ในตระกูลเศรษฐีแห่งกรุงโกสัมพีตอนนี้ อตอนที่ยังเป็นทาลกอ่อนตัวน้อยๆอยู่นั้นพี่เลี้ยงนำไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนายังเป็นทาลกพูดง่ายว่าอาจจะเกิดไม่นานนะตัวเล็กๆอยู่พี่เลี้ยงก็พาไปอาบน้ำที่แม่น้ำยมุนาได้ปรากฏสิ่งไม่คาดคิดเกิดขึ้นมีปลายักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นฮุบทาลกน้อยจากมือของนางแล้วกืนลงไปในท้องทันที จากนั้นก็แวกว่ายหนีไปอย่างรวดเร็วแต่ปลายักษ์ตัวนั้นมาถูกชาวประมงจับได้ที่แถวกรุงพารณสีและถูกภรรยาเศรษฐีของกรุงพารณสีซื้อปลายักษ์ตัวนั้นไว้ครั้นปลาถูกผ่าท้องเพื่อนำมาทำเป็นอาหารก็พบท า, ทารกน้อยยังมีชีวิตอยู่แหมสุดยอดมหัศจรรย์เลย นะภรรยาของเศรษฐีจึงเลี้ยงดูไว้เป็นบุตรที่รักของตนคือโอ้โหเศรษฐีก็คิดว่านะว่ามั น, ม, นมันแปลกประหลาดพิสดารเหลือเกินบางเรื่องมันก็เกินที่เราจะคิดจริงๆนะแต่ถ้าเราไม่คิดอะไรมากก็รู้สึกเวอร์สุดๆเลยโอ้โหโดยปล่าภู ก, กระเบนทองแล้วไม่ตายได้ยังไงเออ แต่ว่าอะไรหลายอย่างที่บางทีเนี่ยคนที่มีบุญบา ร, รมีมากๆเลยนะมันเกินที่เราคิดจริงๆคือเราคิดไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้แต่เออก็เป็นไปได้จริงๆอะ่ะเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ตั้งแต่เกิดอะ่ะตั้งแต่เป็นเจ้าชายศรีสัชธาเนี่ยโอ้โหมันก็เกินที่เราจะคิดว่าเฮ้ยอย่างนี้จะมีหรือคนเราอืมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันมันเกินคิดจริงๆ เ, เราก็ฟังเอาไว้แล้วกันอันนี้เป็นไปตามประวัตินะนะปรากฏว่าตอนนี้ยังไงละทันไหมเรื่องนี้อโดนปลาฮุบไปใช่ไหมตอนแรกเนี่ยแม่จริงๆเนี่ยเป็นเศรษฐีเมืองอะไรนะโกสมพีนะคนละเมืองเลยนะเสร็จแล้วปรากฏว่าพอปลาฮุบไปปลานี่ไปโดนจับที่เมือง พรราสีใช่ไหมอ่าคนละเมืองเลยนะไม่รู้ว่าพุ่ไปกี่วันก็ไม่รู้ไม่รูนะ้ในท้องปลานี่มันมีอากาศให้าหายใจมังหรือเปล่าก็นะอ่าเสร็จแล้วปากฏว่าถ่าท้องออกมาอา้าวยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้นะมีการปั๊มหัวใจหรือว่าอะไรหรือเปล่ามันเหมือนกับมีอะที่ไอ้วันนี้เมือที่ดู ทีวีหรือโทรทัศน์ที่เ็าพูดถึงหลังการตายนะมีคนที่หมอเนี่ยเขาตรวจหมอเลยนะหมอทางโรงพยาบาลทางคลินิกอะไรพวกนี้เขาตรวจเลยนะบอกในสภาพนี้ถือว่าตายแล้วแต่ปรากฏว่าต่อหลังคนนี้ฟื้นขึ้นมาอีก <c oughs> <c oughs> คือเนี่ยอะไรหลายอย่างหรือแม่บางคนหยุดหายใจไปแล้วเห็นไหมที่เขาใช้อะไรนะใช้ไฟฟ้าชอ็อตใช้ปั๊มหัวใจม้าง ในสึกก็ฟื้นขึ้นมาได้เออมันก็มีเหมือนกันคนที่มันไม่ถึงที่ตายะนะเออมันก็ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยอะไรห <ๆ S 2> ลายอย่างที่อาจมาบอกว่าเออบางทีมันเกินที่เราจะคาดคิดนะแต่อย่าไปตีทิ้งเฉลยทีเดียวบอกว่าอเอออย่างนี้นี่มันนิยายแล้วนิทานหลอกเด็กนะอย่างนี้คงไม่มีจริงหรอกนะแต่ไม่แน่หรอกเรื่องพวกนี้มันมันเกินความมหัศจรรย์ของชีวิตคนเรา ของบุญบา ร, รมีเนี่ยบางทีมันเกินที่เราคิดเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมันบุญบา ร, รมีไม่ถึงน่ะเรานี่มันไม่ถึงมาเลยเลยคิดไม่ถึงว่าจะมีอย่างนั้นได้เสดตานี้ก็กลายเป็นนะแม่อะไรพระยาเศรษฐีที่เมืองพาราสีเป็นคนเลี้ยงแลยนะครั้นมันดาแท้จริงได้ทราบข่าวนี้แล้วจึงไปขอบุตรของตนคืนแต่ตกลงกันไม่ได้ ในที่สุดต้องให้พระราชาทรงตัดสินคดีให้พระ อ, องค์ทรงเห็นว่าทารกนี้เป็นผู้มีบุญหน้าอัศจรรย์นักจึงให้ทารกเป็นทายาทของทั้งสองตระกูลได้นามว่าพักกุลนี่แหละชื่อท่านเนี่ยที่ได้ชื่อว่าพักกุละเนี่ยแปลว่าคนสองตระกูลคือ <c ười> ให้ทั้งสองตระกูลเนี่ยเลี้ยงดูนั่นเองนะ คาแปลของพรรคกุละดังนั้นเมื่อเจริญเติบโตแล้วจึงได้รับมรดกมากมายถึงแปดสิบโกดเพราะว่าเศรษฐีทั้งคู่นี่เพราะฉนั้นโอ้โหเงินมหาศาลเลยแปสิบโกดถ้าเทียบค่าตามมาตราแล้วนะในสมัยก่อน80สิบโกดเท่ากับปัจจุบันนี้คือนะแปดรอ800ล้าน8 0ดรอล้านสมัยโบราณ น, นะ ไม่ใช่8ปด้อยล้านเดี๋ยวนี้นะเพราะฉะนั้นแปดร้อยล้านสมัยโน้นเงินไม่ตกนะเออเพราะฉะนั้นโอ้โหค่าเงินมันสูงกว่าแปดร้อยล้านนะ